ันดับตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจตั้งใจฟังและก็ตั้งใจกำหนดจิตของตัวเองไปด้วยให้พร้อมไปกับการฟังเพื่อเป็นการ ที่จะยั่งจิตของเรานะ่ะให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะฟังธรรมประโยชน์ที่เราจะได้ในด้านการฟังและการกำหนดจิตของเราไปด้วยนั้นอันดับแรกก็คือความรู้ และอันดับที่สองก็ได้แก่ความสงบความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฟังเราก็จะได้นำเอาความรู้นั้นไปเพื่อเป็นการแก้ไขเพื่อยังใจของเราให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นก็ได้แก่ความสงบ ผลของการที่เราฟังผลของเราการปฏิบัติมันก็คือความสงบโดยมาก <c oughs> เราทุกคนก็ต้องการความสงบกันอยู่แล้วเพราะทุกคนมีความวุ่นวายอยู่ภายในตัวเองนั้นเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งทำให้เรานั้นน่ะมีความลำบากคือลำบากในตัวเองถึงเราจะมีความสุขในภายนอกเราไม่มีอะไรอยู่เป็นปกติภายนอกแต่ส่วนภายในมันมีความวุ่นวายในตัวเองความวุ่นวายในตัวเองนั้นน่ะ เราจะเอาอะไรไปแก้ก็คือความวุ่นวายในใจเราจะเอาอะไรไปแก้ใจของเราที่จะมาให้มันวุ่นวายก็นอกจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปแก้เพื่อเราจะยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าเป็นหลักของการที่เราจะไปแก้ ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแ่ะซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติคำสอนมานะ่ะก็คือพระองค์สอนแต่ทางจิตสอนในด้านทางใจนั่นและเป็นส่วนมากถึงพระองค์จะยกอุทาหรณ์ภายนอกก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องภายในของตัวเอง แต่ละคนมีความหมายของของคุทติเจ้าคือพระองค์มุ่งในทางประเด็นภายในคือใจใจของผู้ฟังเท่านั้นหละที่พระองค์มุ่งประเด็นอันสำคัญเพราะใจนั้นมันไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปสอนได้ที่จะไปรู้ได้ ก็นอกจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระองค์ไปรู้ได้ยังไง ร, รู้ใจเนี่ยรู้ใจคนอื่นก็ดีรู้ใจใครก็ตามคําว่าใจก่อนที่พระองค์จะรู้เรื่องของใจ่ะพระองค์ก็ได้ทำมาก่อนพระองค์ก็ได้หามาก่อนแล้วแล้วพระองค์ก็ได้แล้ว และก็รู้แล้วว่าเรื่องของใจพระองค์ก็ทรงทราบโดยตนเองก็เมื่อพระองค์ได้รู้ได้เห็นและได้ปฏิบัติและได้กระท ม, มาและได้ผลโดยวิธีใดคนนั้นมันเป็นอย่างไรก็พระองค์ก็เอาอันนั้นละ่ะมาบัญญัติเป็นคำสอนสอนชาวโลก เพื่อจะให้ชาวโลกนั่นเขาจะได้ปฏิบัติตามและเขาก็จะได้ทำตามแต่การกระทำตามนั่นจะได้เท่าไรพระองค์ก็ไม่ได้มีการกำหนดกดเกณ์ว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้กาหนดมันอยู่กับศรัทธาหรือว่าอยู่กับบารมีและอุปนิสัย ของคนใดคนหนึ่งหรือว่าของใจของคนใดคนหนึ่งที่มีอุปนิสัยมาที่ได้สั่งสมมาเมื่อได้สั่งสมมาแล้วนะ่อุปนิสัยของท่านคนนั้นละ่ะและมันมีความต้องการอยู่ในตัวเองและจะมีความได้สำเร็จในตัวเองแล้ว น, ะนั่นละ่ะ ก็คนคนนั้นละ่ะกับหัวใจคนนั้นละ่ะที่จะต้องได้นี่ก็พระองค์ก็เผื่อเอาไว้แต่สำหรับคำสอนนั่นนะของพระพุท ธ, ธเจ้านะก็ได้ผ่านมานานอ่ะสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าปีมาแล้วนะจนได้มาเป็นมรดกของพวกเรานะี่ยนะก็พวกเราก็พากัน รักษาเอาไว้เมื่อรักษาเอาไว้แล้วน่ะแล้วเราก็เป็นแต่เพียงว่ารักษาเฉยๆแล้วประโยชน์ของตัวเองก็เลยจะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยแล้วก็ตัวเองก็จะหาประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ดังนั้นล่ะ <c oughs> พวกเราจึงได้พากันตั้งชมรมขึ้นเมื่อเราได้ตั้งชมรมขึ้นแล้วเราก็ได้พากันมาตามกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เราได้นัดหมายกันแล้วเราก็ได้มาฟังธรรมส่วนธรรมะผู้ที่จะนำมาให้เราก็ได้อาราธนาครูบาอาจารย์แต่ละท่านละท่าน ก็มาแสดงธรรมให้เราฟังเราก็ได้ฟังธรรมะของท่านมามากแล้วหรือว่าหลายทัานหลายองค์แล้วเมื่อเราได้ตั้งชมลมธรรมะเราก็ฟังธรรมะมาหลายท่านหลายองค์ฟังแล้วคืออะไรเพื่อประโยชน์อะไรในการฟังฟังแล้วเราจะหาใคร และใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการฟังนั้นและการได้นั้นคือใครเป็นผู้ได้และการได้นั้นคือได้อย่างไรคือได้ธรรมะและมันธรรมะนั้นอยู่ตรงไหนที่เราได้อย่างไรอันนี้เราท่านทั้งหลายน่ะควรจะพากันเข้าใจและพากัน มีความสำนึกและพินิษทิจารณาให้ลึกซึ้งว่าใครเป็นคนได้และเรามาหาใครท่านผู้นั้นอยู่ตรงไหนที่เราหาเราก็ต้องทำความเข้าใจที่เราหาอยู่นั้นเราก็ไม่ได้หาใครเก็อนอกจากใจของตัวเอง่ะ เราก็ไม่ได้หารธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกประเด็นก็เกี่ยวเนื่องกับจิตใจของเราทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอะไรถึงจะเอาภายนอกมาเป็นอุทาหรณ์ก็เพื่อประโยชน์ภายในก็เพื่อจะทำความเข้าใจ ที่นีนส่วนภายในน่ะมันอยู่ตรงไหนน่ะที่นี่เราก็หากันาหานด้วยตนของตนเองสิ่งที่มันวุ่นวายอยู่ในขณะนี้นสิ่งที่มันรู้อยู่ในขณะนี้นแล้วมันอยู่ตรงไหนนัน่นแ่ะมันคือใครแล้วมันมาจากไหน ใครเป็นผู้อาราธนามันมาใครเป็นผู้เชิญมันมาเราก็หาคนคนนั้นอ่ะทั้งที่เราก็มามากันทุกคนน่ะมารู้กันทุกคนน่ะว่ามาเป็นคนไอ้ความเป็นคนมันมาจากไหนนะผู้มาเป็นคนมันมาจากไหนและมาอยู่กับร่างของคน แล้วมันมาจากไหนเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านหาตนของตนเองด้วยตนของตนเองก็ท่านก็ได้พบของท่านเมื่อพบแล้วพระองค์ก็ยังเอามาให้สาวกของท่านแล้วก็ได้หาตนของตนอีกสาวกก็ได้หาตนของตนและก็ได้พบตนอีก แล้วเมื่อพบแล้วมันพบตรงไหนจริงพบข้างนอกหรือพบข้างในให้เราพากันจิต <c oughs> ก็บพบตรงไหนล่ะก็บพบตรงที่มันวุ่นวายนั่นแหละความวุ่นวายมันตรงไหนและกับความฟุ้งซ่านมันอยู่ตรงไหนและความจิตแต่มันอยู่ตรงไหนและความรู้มันอยู่ตรงไหน กับพบกับพบตรงนั้นอันนั้นเราเขาเรียกว่าพบตัวเองและก็เห็นตัวเองที่นี่เราก็ต้องค้นหาตรงนั้นแหะที่เราฟังทรรมอยู่นะไอ้หูน่ะมันมันห น, น้าที่จิตจะต้องรับรับเสียงอยู่แล้วนะแต่สำหรับผู้รู้ไม่ใช่หูรู้แจ่มันได้ยิน แต่ผู้รู้นั่นคืออยู่ข้างในนะ่ะเราก็หาท่านผู้ที่รู้อยู่ข้างในนั่นก็หาเอาท่านผู้นั้นนะ่ะผู้ที่มันรู้อยู่นั้นละ่ะผู้ที่มันชิดอยู่นะั้นเราก็หาท่านผู้นั้นน่ะและหาโดยวิธีไหนละ่ะเอาใครเป็นคนหาจะไปจ้างคนอื่นมาหาให้ ก็ใช่ไม่ได้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนที่จะต้องหาตัวเองและที่จะต้องรู้ตัวเองที่จะต้องเขี่ยวเข็นตัวเองเพราะความรู้ของเรามันก็มีอยู่แม้แต่สติมันอยู่ตรงไหนสติมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกสติมันก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่น สัมปชัญญะมันก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่กับเขานี่ยนะก็อยู่กับท่านผู้รู้นั่นแหะถ้าท่านผู้รู้ไม่มีสติละ่ะถ้าผู้รู้ก็ไม่มีสัมปชัญญละล่ะที่ในท่านผู้รู้นั่นแหะจะเป็นผู้ดีได้อย่างไรถ้าขาดสติและถ้าขาดความรู้ในตัวเอง มันก็อยู่ไม่ได้ก็เราเอาสตินั่นแหละเอาผู้รู้นั่นแ่ะแล้วมาหาผู้ตัวที่รู้น่นแล้วมันอยู่ตรงไหน เ, นเมื่อมันขยับขยื่นที่มันจะกระโดดและวิ่งตามอารมณ์ต่างๆนั่นเราก็ตั้งข้อสังเกตเอาไวส้สิตั้งไว้ตรงไหนละ่ะ พยายาไปตั้งไปข้างนอกดิตั้งตัวรู้นะ่ะตั้งไว้ในถา้ารู้ไหมถ้าของตัวเองนะก็เอาตั้งไว้ในถานะนะ้านั่นแหละแล้วก็ให้มันอยู่ในถ้านั่นะกนะ็ตั้งไปตรงนั้นนะ่ะถ้าอะไรลนะ่ะแต่ถ้ำกลางทรวงอกของตัวเองนะ่ะก็ตั้งตัวรู้เอาไว้ตรงนั้นเดิ อย่าเอาไปตั้งไว้ข้างนอกถ้าตั้งไว้กข้างนอกล่ะอย่างอื่นมันก็มาสวยเอาไปหมดเรื่องต่างๆมันก็เอาไปหมดมันก็เลยหาที่ตั้งไม่ได้เลยหาที่อยู่ไม่ได้เราตั้งไว้ข้างในนั่นละ่ะตั้งไว้ในถ้ำกลางหน้าอกน่ะตั้งไว้ตรงนั้นละ่ะให้มันรู้อยู่ตรงนั้นละ่ะ ที่นี่เราก็เอาคุณค่าของธรรมะก็คือสติและสัมปชัญญะนั่นแหละเอาไปให้เอาไปให้ท่านผู้รู้เพื่อจะติตั้งอยู่ตรงนั้นพอจิตของเรามีสติและสัมปชัญญะแะพอมันรู้ตัวของมันอะที่ในเมื่อมันจะไปไหนละ่ะ สติมันก็ระลึกได้สำมาชญญะมันก็นรู้ตัวกนะ็นี่เรียกว่าเราเอาธรรมะมาใช้เราจะมารู้แต่ตำราสติญญความระลึกได้สำมาชญญะความรู้ตัวนะเราจะมารู้แต่เพียงเท่านี้แต่เราจะเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รู้ของตัวเองนะ แล้วที่จะให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาประโยชน์ที่เรานำสติไปใช้นำสัมมชัญญะไปใช้คืออะไรประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นก็ได้แก่ความสงบนั่นสิความไม่ดิน้นความไม่กระวนกระวายความไม่ฟุ้งซ่านนั่นล่ะประโยชน์ที่มันจะเข้าไประงับ ก็ได้แก่ความสงบของจิตนั่นะก็เมื่อมันสงบแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็นอกจากความสุขละอะไรมันจะมาเกิดขึ้นมันก็มีความสุขเท่านั้นะจะเกิดขึ้นก็เมื่อความระงับความวุ่นวายได้แล้วระงับความฟุ้งซ่านได้แล้ว ก็เมื่อมันระงับความฟุ้งซ่านได้ก็มันก็สงบก็เมื่อมันสงบละก็ความสุขมันก็เกิดน่ะก็มันก็เกิดตรงนั้นละ่ะที่นี่ใครเป็นผู้สงบก็ใจนั่นแหละเป็นผู้สงบใครละเป็นผู้สุขก็ใจนั่นแหะเป็นผู้สุข แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นน่ะนั้นเราเรียกว่าพุท ธ, ธะหรือว่าเรียกว่าพุโทโธพุธโทโธน่ะคือผู้รู้คือท่านสงบด้วยความรู้คือท่านสงบด้วยสติท่านสงบด้วยสัมปชัญญะนั้นเราเรียกว่าพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะแตแปลว่าผู้เฉลี่ ที่ในจิตมันก็ฉลาดในตัวเองที่ถ้ามันสงบ ก, ก็ถ้ามันมีความสุขเพาความสุขที่นี่มันไม่ใช่อยู่นอกที่นี่แต่เป็นของจริงแหละมันไม่ใช่อยู่ของนอกตกลงก็อยู่ภายในนี่คำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนทรงสอนพุตสาวกของพระองค์ก็เอาความสุขภายในนั้นอะ ให้แกท่านผู้ที่มาฟังแล้วผู้ที่มาฟังก็ได้ฟังตามและได้ทําตามกับท่านพู้ที่บอกแล้วผู้ที่ทําตามนั้นก็ได้รับผลก็คือความสุขที่มันก็เลยสุขอยู่ข้างในไอ้ส่วนข้างนอกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราชาวโลกที่เราจะต้องอยู่กัน เพื่อดำลงทรงไว้ซึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่ของตัวเองที่เราจะต้องประกอบธุระหน้าที่การงานของตัวเองเพื่อจะหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมาเป็นเครื่องอุปกรณ์แห่งความเป็นอยู่แห่งชีวิตของตัวเองอันนี้มันเป็นหน้าที่ของชาวโลกและก็เป็นของจําเป็นที่เราจะต้องควรกระทำ ถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าทำเพื่ออยู่แล้วการอยู่ของเราก็ไม่ใช่มาอยู่นานแล้วก็อยู่ได้ช่วงระยะระยะที่เราจะอยู่ได้เมื่อจาก <c oughs> นอกจากที่เราอยู่ไม่ได้นั่นแหะเรามาทาเพื่อเพื่อว่าอยู่ไม่ได้คือเราอยู่ได้ก็อยู่ได้ชั่ว ช่วงระยะอายุของเราแต่ละคนก็เมื่อมันหมดอายุล่ะผู้ที่อยู่ข้างในแล้วมันจะไปไหนอีกละ่ะที่ในเราคิดกันบ้างหรือไม่หรือคิดว่ามันหมดแล้วก็จะแล้วไปคิดว่าจะไม่มีอีกอันนี้มันเป็นเพียงความคิดของเราคิดเอานะ แต่ธรรมชาติของเขานะ่ที่เขามานะ่ที่เขาไปนะ่โดยไม่มีใครที่จะรู้นะ่ะแม้แต่ตัวเองพูมาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมาแม้ว่าตัวเองจะไปก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปก็ไม่รู้จะไปไหนแม้แต่ตัวเองมีความพุ่งสา่านก็ไม่รู้ว่าความพุ่งซ่านมันมาจากไหน เราก็ยังหาระงับดับความพุ่งสั้นของตัวเองก็ยังไม่ได้ทีนี้การไปของเราเนะี่ยหรือการไปของท่านผู้รู้นะ่แล้วเขาจะไปกันอย่างไงอันนี้เราควรคิดนะอย่าคิดว่ามันจะหมดว่ามันพอหมดแล้วก็จะหมดกันไปง่าย ถ้าหมดกันไปแบบง่ายๆนะเราก็คงจะไม่มาทำอะไรไอ้เรื่องศาสนาคือคำสอนใครๆก็ตามก็ไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะมันกับหมดแล้วมาก็แล้วกันไปไอ้ความไม่หมดนี่แหละสิ่งที่ไม่หมดนี่นะมันปิดบังเอาไว้นะมันบังไว้ตรงไหน เราจึงจะหาวิธีที่จะเปิดของที่ความโยของที่ครอบนําโยแล้วให้มันหงายขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่มันครอบอยู่นั้นคืออะไรนี่เราจะได้เห็นนี่หละเรากําลังที่จะเปิดของที่ความแล้วให้มันหงาย สิ่งที่ความอยู่มันคืออะไรก็คือสิ่งที่มันปิดบังสิ่งอิ่นที่มันปิดบังก็คืออะไรก็คืออวิชชาแต่ย่นเข้ามาใกล้ๆหรือย่นย่อเข้ามาก็คืออวิชชาแต่ว่าในส่วนที่เป็นอวิชชานะ่มันมีอะไรบ้างที่นี่มันก็หลายอย่างที่นี่ ความโลภมันก็อยู่ในนามของความเป็นอวิชชาความโกรธมันก็อยู่ในนามความเป็นอวิชชาความหลงมันก็อยู่ในนามเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพบมันก็อยู่ในนามของอวิชชามันครอบงําเอาไว้ จนว่าตัวของตัวเองนั้นนะ่ะไม่รู้ทางไปทางมาตัวเองมันครอบเอาไว้หมดนะที่นี่ก่อนที่เราจะเห็นได้นะก่อนที่เราจะเปิดของที่คว่ำอยู่นั้นนะเราจะเปิดยังไงเปิดโดยวิธีไหนเอาอะไรเปิดก็เปิดโดยที่ว่าสติและสัมปชัญญะ แล้วก็นําท่านผู้รู้นั้นให้ไปตั้งอยู่ในถ้ำกลางถ้ำกลางทรงอกเมื่อท่านตั้งอยู่ในถ้ำกลางทรงอกด้วยอํานาจของความเป็นพุโทโธคือผู้รู้เมื่อท่านตั้งอยู่ในความเป็นพุโทโธคือท่านผู้รู้แล้วมีความมั่นคงสิ่งที่มันคว่ำอยู่สิ่งที่มันปิดอยู่นั้น อันนั้นละมันจะหายขึ้นคือมันจะแจ้งขึ้นเขาจะได้รู้ความแจ้งในตัวของเขาและเขาก็จะได้รู้ว่าตัวของเขามาด้วยความมืดหรือว่ามาด้วยตมก็โมตมก็คืออะไรก็มาด้วยความมืดนั่นแหละสติปาญโญ ก็มีความสว่างไปถ้ามันมีความสว่างไปมันก็ดีแต่ขั้งแรกมันก็มาเด็กตโมตม ะ, ะก่อนทีนี้เรามาเปิดขึ้นแล้วมันก็โชติปรายโนทีนี้มันจะไปด้วยความสว่างถ้ามันเกิดความสว่างขึ้น่อะไรอยู่ในตัวเขาละ่ะ ที่เขาพาติตพาติตตามมาเนี่ยเขาก็จะได้รู้ตัวเขาหมดสิแล้วมันจะส่งผลข้างหน้าไปอีกมันจะไปโดยวิธีไหนและมันมากมาโดยวิธีไหนและอะไรเป็นผู้นำนี่เขาก็จะได้รู้ของเขา เมื่อเขารู้วิธีการของเขาที่มันเป็นมาสิ่งที่ครอบงำเขาอยู่และสิ่งที่ปิดบังเขาอยู่แต่ความแจ้งนะั้นมันสามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเขาก็เกิดความรู้ในตัวของเขานะแล้วเขาก็แจ้งเขาเองว่าสิ่งที่มันมืดมาแล้วมันยังความสว่างให้เราไปข้างหน้าเขาก็จะรู้เขาเอง นั่นเรียกว่าเปิดของที่คว่ำอยู่ให้ไงายแต่เราก็กําลังทํากําลังหาวิธีเปิดวิธีการเปิดนี่แหละที่เราก่อนที่จะนําเข้าไปจาจุดจุดของที่เขาคว่ําอยู่เราจะทํำยังไงอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องเดิน วิธีหนทางอันที่เขาจะนำเข้าไปสู่ความสงบก่อนก่อนที่มันจะสงบได้เนี่ยจะทำอย่างไรละ่ะขั้งแรกก็อาศัยการฟังอย่างนี้แหละเมื่อฟังแล้วเราก็กำหนดตามเข้าไปเน่ะที่นี่ตามเข้าไปไหนละ่ะตามเข้าไปข้างในแต่พระพุทธเจ้านะท่านทำโดยวิธีไหน พระองค์ก็ทําด้วยอนาปนสติเอาเอาลมของท่านนั่นแหะเอาลมของตัวเองนั่นแหะอันดับแรกก็มากําหนดลมก็ทําลมนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งที่หายใจเข้าใจออกด้วยยังชีวิตของเราให้มีความเป็นอยู่แล้วก็ทั้งที่จะเกิดประโยชน์อันที่เสษขึ้นอีกพระองค์ก็ยังเอาลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทีนี้เราก็มาเดินลมกําหนดลมคือลมเข้าและลมออกเราก็ไม่ได้ไปเอาที่ไหนนะของของเรามันมีกันทุกคนเราไม่ได้เอาของไข่ทางนั้นก็มันมีอยู่ที่ปลายจมูกนั่นก็ตามลมเข้าไปนะ่ะก็ตามลมออกมานะ ที่นี you like? thinking, well, e ่ใครเป็นผู้ตามลมเข้าใครเป็นผู้ตามลมบอกแล้วก็ต้องรู้อีกผู้ที่ตามเข้าก็คือใจนั่นแะคือท่านผู้รู้นั่นผู้ที่ตามออกก็คือใจนั่นก็คือผู้รู้น่ก็ตามเข้าไปทนี่แล้วก็มีคำบริกรรมเดียวใครเป็นผู้บริกรรมอาก็ใจนั่นแหะเป็นผู้บริกรรมคำว่าบริกรรมก็คือว่าเนิบนั่น เนืกในสิ่งที่เราควรเนืสิ่งที่เราว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อันที่เราจะนำมาเนือคืออะไรก็คือพระ น, นามของพุทธเจ้าก็คือพุทธโธเราก็บริกรรมพุทธโธนั่นเองเราก็ย้าอยู่ว่าพุทเข้าไปแล้วก็โทออกมาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มีความสงบ แต่สำหรับผู้ที่สงบแล้วนะมันก็ไม่ได้ยากพอกำหนดลมหายใจเข้าออกครั้งสองครั้งพอกำหนดจิตลงไปเท่านั้นแนหะมันก็ลงของมันไปแล้วแหละเพราะมันรู้ว่าสถานที่อยู่ของเขานะเขาเคยไปแล้วเขาเคยไปพักผ่อนอยู่แล้วและเขาก็เคยไปตั้งอยู่แล้วอันนี้มันก็ไม่ยาก ในเมื่อที่เขากำหนดจิตมันก็ไปแล้วผู้ที่ยังไม่สงบมันยังมีการบอกแวกกระโดดโน่นกระโดด น, น, ดดนี่และปุุงเรื่องนั่นเรื่องนี้จำเป็นอยู่เองละ่ะเราจะต้องกำหนดคือกำหนดลมหรือวบาบริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธ เอามันไว้ก่อนละเอาอย่างเดียวซะก่อนะอย่าพึ่งอยากรู้อะไรละอย่าพึ่งอยากเห็นอะไรเอาให้มันสงบซะก่อนเมื่อมันสงบแล้วมันดีอย่างไรก็ความวุ่นวายล่ะความพุ่งซ่านล่ะที่มันพุ่งมันแต่งอยู่มันก็ระงับไปมันก็หายไปที่นี่มันมีแต่ความสงบนั้นล่ะเข้าไปแทนที่ พ็เมื่อมันมีความสงบหรือพความสุขไม่ใช่หรือที่นี่มันก็มีความสุขนะจะได้น้อยมากแค่ไหนก็แล้วแต่แต่มาให้มันสงบสงบน้อยมันก็สนุมมันก็สุขน้อยล่ะสงบมากมันก็สุขมากเราเอาแค่ความสุขในความสงบจะก่อนแต่ความสำเร็จนั้นน่ะ อันนั้นเราเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งว่ามันจะสำเร็จแบบนั้นแบบนี้ก็อย่าพึ่งเอาแค่ความสุขเพื่อความเป็นอยู่ของเราที่อยู่บนเป็นประจำวันให้มันสบายสบายซะก่อนเมื่อมันเห็นความสุขในตัวเองเห็นความดีในตัวเองแล้วแล้วมันจะขยันในตัวเองโดยวิธีไหน อันนั้นเราก็ค่อยว่ากันทีหลังและเราก็ทำตามความขยันของตัวเองเมื่อเราทำตามความขยันของตัวเองเท่าไหร่ที่ในเอความดีมันก็ขึ้นสนองตอบสนองตอบกับความขยันอันที่ตัวเองได้กระทำนั้นแล้วมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยและมันก็สุขไปเรื่อยเรื่อยนี่ก็แสดงว่าจิตของเรามันก้าวหน้า ก้าวเข้าไปไหนก็ก้าวเข้าไปหาความดีก้าวเข้าไปหาความสุขก็ความสุขก็เลยไม่ได้อยู่ข้างนอกตกลงก็เลยสุขอยู่กับตัวเองที่นี่ก็เลยไม่ได้วิ่งว่อนสัญจรไปหาอะไรที่ไหนก็รู้แล้วว่าความสุขมันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในถ้าก็คือถ้ากลางหน้าอกของเรา อันนี้เป็นถ้ำแท้เป็นถ้ำประจำและก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรและก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมันมีมาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้ำอันนี้แต่ใครแล้วอยากจะเข้าไปดูถ้ำตัวเองโดยมากไม่ค่อยที่จะสนใจในถ้ำตัวเองมันมักอยากไปหาแต่ถ้ำภายนอกแล้วเอาความสงบในถ้ำภายนอกมาก็เอามาไม่ได้ แล้วก็ไปแสวงเอาความสงบในป่ามาแล้วมันก็เอามาไม่ได้หาความสงบภายในถ้ำตัวเองไม่มีแล้วความสงบในถ้ำภายนอกมันก็ไม่มีหาความสงบในถ้ำตัวเองมีแล้วความสงบในถ้ำภายนอกมันก็มีนี่เดเรามายึดเอาถ้ำของตัวเองแต่ละคน เพราะเรามันมีพร้อมแล้วคือถ้ำกลางหน้าอกแล้วก็เข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างถ้ำนี่มันจะยืนยงมั่นคงอะไรเท่าไรนักเราก็จะได้รู้บ่าความมั่นคงในธถ้ำของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะแน่นอนถ้ำมันนี่แหละมันตกอยู่ในความเป็นอนิจจง ทำอันนี้นหละมันตกอยู่ในความเป็นทุกข์งังทำอันนี้นหละมันตกอยู่ในความเป็นอนัตตาเราก็เข้าไปหาดูสิอันนี้จังมันเป็นยังไงก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงตับไตใส้นพุงเรามันเที่ยงหรืออาหารใหม่อาหารเก่าเรามันเที่ยงหรือมันไม่มีอะไรเที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเรามันก็เป็นทุกข์ ถ้ามันเป็นทุคเหรอก็ใครเป็นเจ้าของก็หาเจ้าของไม่ได้อีก็กตกลงมันก็อยู่ในไตรลักษณ์นี่เรียกว่าลักษณะของความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันหนีไม่ได้เราทาเรานะเพราะฉะนั้นให้รีบเข้าไปดูทาตัวเองเะเสียนมันก็อยู่ในนั้น ทำก็อยู่ในนั้นแหละแม้แต่มรรคผลนิพพานอะไรก็อยู่ในถ้ำนี้สวรรค์นิพพานก็อยู่ในถ้ำนี้ให้เปิดของที่คว่ำออกเราก็จะได้เห็นสวรรค์เราก็จะได้เห็นอันที่เราต้องการก็คือมรรคผลและนิพพานเป็นที่สุด แล้วไม่ต้องไปค้นอะไรให้มา ก, กมันเสียเวลาชีวิตของเราก็หมดไปหมดไปแต่และ ว, วันและ ว, วันที่นี่ไอ้ธรรมของเราจะอยู่ไปนานเท่าไหร่ในเมื่ออนิจจังเขาเป็นเจ้าของอยู่อย่างนี้เราจะอยู่เท่าไหร่ไม่เป็นของที่แน่นอนทั้งนั้นนั้นละให้รีบทำซะ ทำเราก็ทำคนเดียวก็ได้แต่เรารู้ว่าทําของเรามันอยู่ตรงนี้หาเอาและอะไรมันจะเกิดขึ้นในถ้ำเราต้องค่อยดูเอาสิในเมื่อเราจะเข้าไปเนี่ยมันขัดขวางนะมันมีอุปสรรคนะมันไม่ยอมไม่เข้าไปไงนะ่ายๆเราก็อ า, อาศัยแต่ว่า ความพุ่งช้านมันก็มีทางออกของมันนะมันก็ว่าความพุ่งช้านมันก็ว่าชิดมากแล้วมันก็ไปอย่างนั้นแล้วอุปสรรคมันก็ว่ามันกระโดดตรงนั้นมันกระโดดตรงนี้นี่มันเป็นอุปสรรคและเมื่อมันจะเข้าไปอีกมันก็มีอุปสรรคของมันอีกสิ่งที่จะมาขัดขวางมันก็มีแต่เราก็อย่าไปท้อใจมัน คือเราเป็นนักสู้เราก็ต้องสู้แต่ละคนแต่ความตายมันก็ยังไม่หนีจากเราเราก็ต้องสู้ตายสิอันนี้แหละคาสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้สู้ตายไหนไหนมันก็จะตายอยู่แล้วท่านวะเราก็ต้องสู้ตายทั่งก่อนที่มันจะได้ดีก็ต้องสู้ตาย ก็เหมือนกับเราทั้งหลายได้มีการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้วิชามานั้นอ่ะอันนั้นก็สู้ตายนะก็เอาความตายเข้าว่านะมันก็จิงได้มาน่ะแล้วก็ได้มาเป็นประโยชน์ของเราและเราก็เอามาแก้ตายอยู่ก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาน่ะก็แก้ตายก็คือได้ทํามาหากินชีวิตของเราก็มีความเป็นอยู่นั่นมันก็แก้ตาย ที่ในส่วนสู้ตายภายในนะสิ่งที่มันจะมาขัดขวางเราเป็นอุปสรรคเราเราก็ไม่ยอมสู้จนได้เข้าไปจนได้ก็เข้าไปสิใครจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ตรงนั้นเราพยายามที่จะต้องขับไล่มันออกสติเราก็มี สัมปชัญญะเราก็มีขันติเราก็มีวิริยะเราก็มีก็มันพร้อมหมดความรู้เราก็มีปัญญาเราก็มีสู้เพื่อใครสู้เพื่อตัวเองทําไมถึงเพื่อตัวเองก็เพราะตัวเองมันจะอยู่ไม่ได้ที่มันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะอนิจจัง เรื่องของอนิจจังเป็นของแน่นอนจะคิดก็ตามไม่คิดก็ตามพิจารณาก็ตามไม่พิจารณาก็ตามรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเรื่องของอนิจจังแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นแหะทางานตามหน้าที่ของเขาทายังไงเราจะหนีจากอนิจจงได้ทายังไงเราจะเอาประโยชน์ของเราก่อกที่จะอนิจจงมาถึงได้ก็ให้เลบเอาสิ ศิลพระพุทธเจ้าก็จังไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วทำของพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติไว้แล้วทำเหมอใจของเราก็มีแล้วร่างกายของเราก็ก็พร้อมแล้วทำเหลคนอื่นเขาจะมาทําให้เรานั้นเป็นไปได้ยากเหนืยกว่าเรานี่สู้ตาย ด้วยตนของตนเองแต่ละกดเพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายนะั่นนะพระพุทธเจ้าไมาในบอกว่าอยู่กับคนอื่นคืออยู่กับตัวของตัวเองทั้งนั้นเมื่อเรารู้ว่าความดีนะ่ะมันอยู่กับตัวของตัวเองอย่างนี้แหละทุกคนนะั่ะก็จะได้ประครับประคองตัวของตัวเอง แล้วจะรู้ว่าตัวเองนั้นดีแค่ไหนไม่ดีแค่ไหนมันก็จะได้สำรวจตัวเองว่าเราดีพร้อมหรือยังทีในส่วนที่ไม่ดีมันมีอะไรบ้างมันความบกพร่องในตัวเองมันมีอะไรบ้างนี่มันจะได้เข้าไปรู้ในตัวของตัวเองสิเพราะเรามาสำรวจแต่คนเรามันไม่ค่อยสำรวจตัวเอง แต่ความรู้ภายนอกนะ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งหรอเพื่อดำลงทรงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ของชีวิตนั่นมันเป็นความรู้ภายนอกมันพร้อมอยู่แล้วแต่ความรู้ภายในตัวเองนะ่ะที่มันมีอยู่ภายในตัวเองมันพร้อมหรื อ, อยังว่าตรงไหนมันบกพร่งองตรงไหนมันสมบูรณ์ตรงไหนมันขาด ตรงไหนมันเต็มก็พากันสำรวจกันบ้างอย่ามีแต่ยกให้ยกให้ไม่รู้ว่ายกอะไรให้ไม่รู้ว่าเขาได้อะไรนี่ที่พระพุทธเจ้าว่ามันหลงความหลงมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยก็เพราะว่าอะไรก็ยกให้คือเอาแต่ดีอย่างเดียวไอ้ความไม่ดีนะมันเต็มอยู่นะ่ะเรากรบเอาไว้นะ และก็ไม่ได้เข้าไปกาจัดเลยที่นี่มันเป็นผลเสียหายเมื่อภายหลังในการเดินทางไปข้างหน้าการไปข้างหน้าเนี่ยมันแน่นอนนะเราจะต้องไปกันแน่จะอยากก็ตามไม่อยากก็ตามรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแน่นอนในการไปนั่นล่ะพระพุทธเจ้าที่ว่าให้กลัวอย่างนั้นคือกลัวการที่เราจะเดินไปข้างหน้าจ้ะ ให้รีบหาเอาไว้เสียก่อนถ้าเรายังจะเดินอยู่ก็รีบหาสเสบียงไว้ก่อนนี่พระพุทธเจ้าสอนถ้าไม่อยากเดินกระตับซะคือเปิดของที่คว่ำอยู่นั้นให้หงายซะถ้าเปิดของที่คว่มอยู่ให้หงายได้ที่อันมันเป็นเพดานหรือมันเป็นหลังาคาคุมอยู่นั่นคือกิเลส นั้นะถ้าเลิอกออกได้ก็เรียกว่าก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องมาถ้าไม่อยากเดินก็ให้เลิอกอย่างนั้นถ้ายังเลิกไม่ได้เนี่ยปฏิเสธกันไงก็ปฏิเสธแน่นอนในการไปแต่เรื่องไปเนี่ยมันยากหายากนอกจากว่าเราจะทำความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิพอที่จะมีหูมีตาขึ้นมาบ้าง พอจะรู้ว่าอาดีตของตัวเองได้เป็นมาบ้างและอนาคตที่เราจะไปโน่นบ้างก็พอที่จะให้รู้บ้างเล็กๆในน้อยก็ยังจะดีกว่าไม่รู้อะไรเสียเลยสมกับว่าเราเนี่ยได้รักษาพุทธศาสนามาศาสนาของเราก็สอนไปอย่างนั้นและมันก็มีผู้ทำได้เป็นตัวอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเสียเลยมันก็มีอยู่มันก็พอที่จะอ่านออกกันอยู่บ้าง แม้แต่บุญกุศลเราก็ยังไม่เห็นตนเห็นตัวเราก็ยังพากันเชื่อแม้แต่บาปกรรมบาปกรรมหรือว่ากรรมเวรที่ไม่เห็นตัวเราก็ยังเชื่อคือว่าเจ้ากรรมในเวรเวลาเขามา่ะเขาก็ยังมาให้ทุกเราก็ยังเชื่อมันก็มีอยู่ในตัวนั่นน่ะนี่แหละให้เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวคตร ก็ให้มีพุทธอยู่ในใจพุทก็คือผู้ฉลาดพุทธก็คือผู้รู้นะคือผู้ฉลาดให้มีความฉลาดในตัวของตัวเองแต่ละกดแต่ละพุทธเราทุกคน ก, ก็มีพุทธประจำตัวอยู่แล้วนะคือมีท่านผู้รู้ประจําตัวอยู่แล้ว น, ะนั่นแหละหัดให้เขามีฉลาดในตัวเองบ้างเพราะเขาจะต้องเดินทางกันไปเยอ ให้เราคิดกันอย่างนี้ตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเสอนเราว้อย่างนี้จะจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องทดสอบด้วยตนเองแต่ในตำราเนี่ยเราเชื่อมั่นอยู่แล้วแต่ว่าในตัวเองที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราเห็นหรือไม่เห็นอันนี้มันควรที่จะทดสอบด้วยตนเอง เพราะเรายังมีเวลาอยู่เพราะเรายังมีลมหายใจเข้าใจออกอยู่ควรที่จะกระทําเป็นอย่างยิ่งถ้าหมดโอกาสนี้แหละเราจะไม่มีเวลาทําเลยเพราะฉะนั้นแหละอันบรรดาจิตท่านทั้งหลายที่ได้พากันมากระทําและที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็ได้นําธรรมะขึ้นมาชี้แจงแสดงบอก แต่ธรรมะนั้นก็ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาคือเอาจากบรรดาพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละขึ้นมาเอาอยัางไงก็คือเอาหัวใจของท่านทั้งหลายนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็เอามาชี้แจงกับมาแสดงบอกให้พวกท่านทั้งหลายและให้ทราบว่าหัวใจของตัวเองนั่นคือธรรมะธรรมะนั้นคือหัวใจของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาที่อื่นที่ไกลมา เมื่อรู้ว่าธรรมะอยู่ในตัวเองอย่างนี้และว่ารู้ว่าตัวเองนั่นะเป็นก้อนของธรรมะและเป็นก้อนสินก้อนธรรมแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเอาก้อนสินก้อนธรรมที่อื่นคือเอาตัวของตัวเองที่มันมีอยู่กับตัวเองนี่แล้วก็รักษาก้อนสินก้อนธรรมนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเอง ดังนั้นละ่ะที่ได้บรรยายมาและที่ได้แสดงมาก็เห็นจะสมควรแก่กาละเวลาจึงจะขอยุติในการแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเลยการัชนี